ทีำอยากเกี่ยวว่าจะได้เจอไม่ไม่ได้เจอดอกศา ส, สนาของท่านศา ส, สนาท่านมีแต่ผู้บริสุทธิ์คือเป็นผู้ที่พยายามจะไปให้ทันพระพุทธเจ้าจะไปไม่ทันตะเกียวกับกายขนาดนะั้นก็ตามนะบารมีไม่ถึงกําลังไม่ถึงไหนสูุ่ขต่อใส่ภาชนะของพระเสียริยเมิตไตรนั่นถึงขนาดนั้นนะศานะ ส, สนาพระ กัคคูสันโธก็ไม่เคยสนใจเรื่องศีลเรื่องธรรมโคโนาคัมโนก็ไม่เคยสนใจเรื่องศีลเรื่องธรรมโคกัตสโปก็ไม่เคยสนใจเรื่องศีลเรื่องธรรมโคตะโมพระพุทธเจ้าที่ล่วงไปแล้วพวกเราก็ได้ยินได้ฟังอยู่แต่เขาไม่เคยสนใจเรื่องศีลเรื่องธรรมอย่าฝันเลยว่าจะได้พบศาสนาของพระสีรยร ย, ร, สรยะเมตรไตรพระสียรยะเมตรไตรท่านอุบัติมาเพื่อรองรับคนที่ตกค้างจาก พระเจ้าทั้งสี่พระองค์ะนะ่ตั้งใจตะเกียบตะกาได้ยินได้ฟังอัดทมอยู่แต่ว่าด้วยอุปนิสัยอัธยาศัยจริตนิสัยมั น, ม, นมันยังไม่เต็มที่สนใจน้อยนิดเดียวสนใจหนึ่งนสนใจแค่ให้ทานเท่านั้นแค่เรื่อมใสศรัทธาแต่ไม่ได้ตั้งใจปฏิบัติให้ทานแคเรื่อมใสศรัทธาอยู่แต่ก็ให นิดหน่อยเห็นเขารักษาสิ่งเริ่มใส่ศรัทธาอยู่แต่ไม่เคยตั้งใจไปรักษาศิ่สักครั้งเลยเห็นก็ภาวนาก็เริ่มใส่ศรัทธาอยู่แต่ไม่เคยไปตั้งใจภาวนาเลยเพราะมันมีปเปอร์เซ็นต์น้อยมันมีปเปอร์เซ็นต์น้อยมันมีกําลังน้อยอสนใจกับเรื่องของกิเลสเป็นส่วนมากในสุดเลยตกค้างอยู่อสนใจเรื่องสิ่งเรื่องธรรม ถาสนาบสนุเสียยะเม็ไตไม่มีโอกาสที่จะได้พบโลกมันองตกไปไหนกันบางที่ไม่มีสิทธิ์มดดันจะไปรับบาปอยู่นู่ น, นรกนู่นเมื่สียยาเม็ดไตท่านเมาออบัดจะของตกค้างอยู่ในรนรกนมกมันจะโผล่ขึ้นมาได้แต่ถ้าเราได้เตรียมตัวพร้อมถ้าเราเตรียมตัวพร้อมริษยาอัธยาศัยที่เข า, า, าเรียกว่าพละกําลังน่น สร้างมีสัยมาเรื่อยมาเรื่อยทุกทุกศาสนาสะสมมาเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อ ย, เ อ, ยเออมีศีลแนบแนบในหัวใจมีธรรมะแนบแนบในหัวใจยิงผู้รีบเร่งจะให้บรรลุในศาสนาพระองค์อะไรพระองค์หนึ่งด้วยแล้วพยายามมาเรื่อยพยายามเรื่อยว่าพระโคดกก็ยังไม่ผ่านไปไม่ได้ดิอ๋อก็ยังมีความเพียนกล้ามีเรี่ยวแรงนะตอกใส่ ศา ส, สนาพุทธศีรษะยังเหลือขบวนสุดท้ายในกลับนีนะ้หรือในเที่ยวในวันนี้มีเทียเเท่ยวขบวนเที่ยวขบวนสุดท้ายเออทันอยู่เราตกทันได้แต่นะเปื่อแตเปื่รถเอออะไรเอยเครื่องบินเอ อ, เ อ, อตั๋วอยู่ในมือ่าได้เวลามาอาบขึ้นเลยเลยอันนี้ถ้าเพื่อไม่สนใจศา ส, สนาสุตตุปโรมเนก็กไม่เคสนใจตัวเขาไม่ได้ซื้อ รถไม่รู้จะไปเที่ยวไหนตอนไหนอีกตั้งหากไม่รู้ไหนคือเราพลาดโอกาสทุกครั้งอืมอัศาสนาเนี่เรายังไม่ไปแล้วเรมมา ไ, ไปสนุกสนานเพลิดเพลินนักนักเข้ากิเลสดึงไปตกนรกขุมใหญ่หวังอยู่ด้อยหวังพระศีอาร์พระศรีอาร์ทานให้ตั้งใจที่เร่งขวนขวายตั้งแต่พระเจ้านี่แหละถ้าไปยังไม่ได้มันถึงจะตกใส่พระศรียะไม่ตร อย่าไปหวังว่าจะไปพระเสียระยะเมตไตรง่ายๆกล้วยๆไม่กล้วยหรอกออย่าลืมว่ า, าศาสนาข้อปรองถ้าเราจะเทียบก็เหมือนกันเหมือนราบเหมือนหน้ากลองเทียบเฉยนั่นแหะาศาสนาข้อปรองเนะี่ยคําว่าเรียบเหมือนหน้ากลองก็จแสดงว่าคนที่จะไปาศาสนากับพระองค์เนี่ยถูกคัดกรองมาแล้วถูกคัดสรรมาแล้วถูกเลือกมาแล้ว มันจะไปได้ยังไม่ถูกคัดถูกเลือกเลยมันรุ่ยตกอยู่ในคิดตอมพิครอนตรงไหนก็ไม่รู้ อ, อย่างนั้นท่านเปรียบเทียบพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสรู้ไปแล้วเนี่ยในอนาคตในอดีตนั่นะพระพุทธเจ้าท่านผ่านไปแล้วท่านตรัสรู้ไปแล้วมากกว่ามเมล็ดทรายในแม่น้ําคงคาท่าเปรียบเอาไว้พระพุทธเจ้าท่านเปรียบเอาไว้ สังคาณทีวาโลโกรปรมาโลโกรปรมาบุท ธ, ธาังคาณทีวาโลกาังคาณทีวาอะไรปรมาพุท ธ, ธาพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่แต่สรู้ไปแล้วมากกว่ามเมล็ดทรายในแม่น้ำของคาของคาณทีเส็จแล้ววกเราไปอยู่กันที่ไหน คิดดูสิพระพุทธเจา้าอุบัตไปมากมายเยอะยะขนาดนั้นพวกเราไปอยู่กันที่ไหนเราให้คิดเป็นของไม่ง่ายให้คิดเป็นของยากพระพุทธเจ้าทนอุบัตมาเป็นของยากเรามาเกิดทันศาสนาของพระองค์ผู้ปฏิปุกผู้ผู้อุบัตมายากเราก็ได้อุบัตมาแล้วการจะได้ยินได้ฟังศาสนาของพระองคโอษฐุเป็นของยากพวกเราก็ได้ยินได้ฟังได้ศึกษาอยู่เนี่ยของอยากยา ก, ยากนะพวกเราประสบกันหมดแล้ว มือนอาหารทุกอย่างอยู่เฉพาะหน้าอยู่ที่เราจะหยิบเข้าปากเท่านั้นเองแต่เรายังไม่อยากจะ ห, หยิบเข้าปากแต่ต้องการอิ่ท้องอยู่แต่ไม่หยิบเข้าปาก holder, ต้องการเท่าไหร่ก็อิ่มไม่ได้เราไม่ต้องการดอกรังหยิบเขา้ายิบเข้าปากหยิบเข้าปากเขาากเกี้ยวเขยวกลืนเขี้ยวเขี้ยวกืนเขี้ยวเขี้ยวกลืน noting? อยากหรือไม่อยากท้อมก็หายอิ่มเองน่าทึ่งไหม พระเจ้ามากกว่าในเล็ด ส, สายในแม่น้ำคงคาอยาที่พวกเราอวดมานี้พัดถักกับพัดถักกับแล้วว่ากลับที่งามกับเนี่ยกลับที่เป็นอยู่ทุกวันเนยมีพระเจ้ า, าห้าพระองค์มาอบวดพระอกุสันโธพระโกณามโนพระกัตส ป, ปรุรพระโคตโมโคตโมคือพระรูปเจ้าของเราทุกวันทันโด่งไปแล้วเหลือเหลือหนึ่งเหลือพระศรีญาณิยะเมตโย ภาี ย, ยะเมตโยนี่เหมือนอย่างที่เรฟังแหละเหมือนว่าท่านมาคนที่ตกค้างจากพระเจ้าทั้งสี่พระองค์นั่นแหละเป็นคนรู้สิลรู้ธรรมเป็นคนอะไรต่ออะไรมาแต่ว่าความเพียรย่อหย่ยอนความเพียรไม่มากสะสมน้อยไปปฏิบัติอย่างสุดวกสบายไม่กระตือรือร้นรไม่อะไรต่ออะไรเนี่ยเก้าใจเรื่องสินเข้าใจเรื่องธรรมเป็นคนให้ความสําคัญเรื่องสินเรื่องธรรมมีสัมมาทิฏฐิพอสมควรพอประมาณ ว่าต้องมาถึงศาสนาของพระองค์พระองค์ถึถงจะโปรยได้ง่ายถึงจะไปได้ง่ายถึงจะมีอานาจวาสนาเกิดทันศาสนาของพระองค์ได้ไม่งั้นกลายเป็นผู้ไม่มีวาสนาอีกผู้เราสร้างวาสนาเอาไว้พยายามยิงให้สุดตั้งแต่อัตภาพนี่แหละตั้งแต่ศาสนาพระโกล 5,000 ปีนี่แหละ 5,000 ปีเรามารู้ไปเกิดตั้งกี่ครั้งอีกเนี 5,000 ปีถ้าเรายังผ่านไปไม่ได้ ดีม่ดีเราก็เก็บเก็บเล็กๆ็กไม้น้อยเก็บเสร็จเก็บเลยจากศาสนาของพระโคนทมนี่แหละติดเนื้อติดตัวไปทำบ้างศีลบ้างกุศลทานเราก็สะสมบุญทิ้นศีลเราก็สะสมสมาธิเราก็สะสมปัญญาเราก็สะสมสะสมไปเรื่อยบางทีกว่าจะหมดห้าพันปีเรามาเอาบาปสองครั้งอีกอ้าวเราก็ไปได้สิ่งเหล่านี้เราต้องสั่งสมเราต้องอบรมถ้าไม่สั่งสมไม่อบรม มันไม่มีมันไม่มีอะไรมาตกผลึกเป็นวิบากกรรมทั้งหลายทั้งปวงอาศัยว่าเป็นตกเป็นวิบากเราจะไป ส, สู่ที่ทุกข์ยากลําบากกันได้ก็สายความสังสมอบรมมากมากหนาทึบไม่หลุดไม่พ้นสักทีแหละกับเวียนกับกรรมกับภัยทั้งหลายทั้งปวงแต่ถ้าเราสังสมวนที่เป็นกุศลกุศลนั้นก็ตกผลึกเป็นกุศ ล, ลวิบาก เพิ่มเรื่อยเพิ่มเรื่อยเพิ่มเรื่อยการสร้า ง, งความดีความดีก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไม่ตาม่างอะไรับสมัหารัพย์เพราะความดีข้างในก็คือทรัพย์ข้างในทรัพย์ภายในใจเก็บไว้มันไม่มีที่เก็บแบบใจเก็บไว้ทรัพย์ภายในที่ใจเก็บไว้ทรัพย์ภายนอกเล้วก็ใส่ตู้ใส่กุญแจ ใส่หีใส่ตู้ใส่หีบใส่ห้องใส่กุญแจเอาไว้ซักภายในใจเก็บไว้ไม่ตั้งใจจะเก็บเพราแต่ทําเหตุลงไปแนละ้วผลก็ย่อมเก็บ จ, จิตจําเก็บเข้ามาเองโดยธรรมชาติไม่ใช่เราตั้งใจเก็บนะมันถึงจะอยู่มันไม่ต้องตั้งใจเก็บเพราะแต่เราทําลงไปแล้วมันเก็บโดยธรรมชาติผลเก็บโดยธรรมชาติ ไม่งั้นที่เราทำชั่วไปเนีเราก็ไม่ตั้งใจจะเก็บลหรอกค่าคนกี่ครั้งกี่ครั้งค่าคนเพื่อความร่ํารวยเพื่อความถึงพร้อมให้กับตัวเองมันเป็นการแย่งชิงกันหาอยู่หากินค่าคนไปไม่ตั้งใจจะมีโทษมิเว้นมีพายอะไรแหละค่าเพราะว่าเขาขวางทางธรรมหากินของเราไม่ตั้งใจค่าแต่กรรมมันสะสมเองเพราะใจเป็นต้นเหตุ ผลเวลามันจะให้มันก็ให้มันก็น ใ, หนกนให้มาที่ผู้ทําผู้เป็นสร้างเหตุเหตุกับผลเหตุชั่วเราทาาําไปมากไหมเท่าไรก็ตามมันพอๆกับเรากู้นี่ยืมสินเขายืมมากเราต้องชดใช้มากเลิกยืมน้อยเราต้องชดใช้น้อยยืมมากๆเป็นกรรมอนันตริยกรรมเนี่ยอถึงขั้นเอาไปกีนรบเโอ้ยใช้เมื่อไรจะหมดอะใช้หนี้เขาเมื่อไรจะหมดอ่ะ ถ้าเป็นกู่นี่ยืมสินเราถึงกับล้มละลายอะถูกฟ้องร้องล้มละลายถูกยึดทรัพย์หมดนั่นไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวกุสลนเราบากติดเนื้อติดตัวมาสักหน่อยก็ไม่มีถูกยึดไปหมดนี่ล้มละลายกู่นี้ยืมสินเขาเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นกรรมที่เราทำมันไม่ต่างอะไรกับเรากู้นี่ยืมสินเขาต้องให้ดอกให้ต้นให้ดอกให้ต้น บางทีไม oh, ่ไม่เคยให้ต้นเลยให้แต่ดอกต้นไม่นก็อยู่อย่างนั้นแหละไม่เคยให้ต้นเลยให้แต่ดอกถ้าทั้งดอกทั้งต้นไม่ให้เลยแล้วทั้งทบดอกทบต้นทบดอกทบต้นไปอีกโอ้เพิ่มไปอีกเท่าไหร่กรรมที่เราสร้างก็เช่นเดียวกันนั่นแหละกรรมหนักกรรมกลางกลางกรรมเบากรรมอจินะกรรมให้ผลย่อมๆย่อมๆเรื่องของกรรมให้ผล เนี่ยเราเทียบให้มันเกิดความเข้าใจว่าแม่ตาเรากับเราคู่นี่ยืมสินค้เราต้องชดใช้ทั้งดอกทั้งต้นทั้งดอกทั้งต้นถ้าเราไม่ชดใช้เลยคือมื่นกรรมที่เราทำหนักๆแต่เรายังไม่เคยรับผลเลยเวลาให้ผลก็ให้ผลหนักเวลาเขาตามฐนให้ผลครั้งเดียวก็หนักที่ยังเคยฆ่าผลเนี่ยเคยฆ่าคนมันให้ผลมันก็ตามฆ่ามันก็ตามฆ่าถูกฆ่าอยู่เลย ยกตัวอย่างพระโมกคัลลานะอย่างเงี้ยท่านข่าพ่อข้าแม่ถูกฆ่าตายมาห้ารอ้อยชาติเกิดชาติไหนแต่ตายเพราะเขาฆ่าท่านนั้นเกิดชาติไหนก็ถูกฆ่าเกิดชาติไหนก็ถูกฆ่าเหมือนกับว่ากู้ความมากต้องชดใช้ดอกชดใช้ต้นชดใช้จนหมดชดใช้ไม่หมดก็คือยังไม่หมดสนองกรรมยังไม่พ้นยังไม่หมดกรรมก็ต้องตามให้มา อั น, นันตยกรรมอะไรกักรรมนะลงเอ า, าไปจีมหานะรกเสร็จแล้วก็ไมพ่พอผลจากนรกขุมลึกขุมหนักมาเบาเลยเบาเรลยสูงขึ้นมาสูงขึ้นมาสูงมาเป็นโทวเบาเลยเบาเลยเบาเลยเบาเลยอจนเป็นกลับกับระยะเวลาล่วงไปเป็นกลับกลับให้ผลมาด้วยให้ผลด้ยอย่างพระโมคลลานะเนีน่ยให้ผลยังไม่หมดนะกอนชาสุดท้าย อกุศลเหล่านั้นมันตามไม่ทําตั้งหาแต่อย่าลืมว่าสายสองสายสายกุศลกับสายอกุศลเนี่ยมันสนองตอบในใจของเรามาตลอดเรื่อยๆกันเพราะเราแต่ละคนแต่ละท่านไม่ใช่ว่าจะทําทำแต่อกุศลกุศลก็ทำก็เหมือนอย่างที่เป็นอยู่อย่างทุกวันความดีก็ทําความไม่ดีแล้วก็ทําความดีก็ทําความชั่วก็ทําเราทำทุกอย่เราก็ได้ผลดีไปไอ้ช่งที่เราทําชั่วเราก็ได้ผลชั่วไป กรรมที่มันตามสนองมันก็ตามสนองนเป็นสองสายเช่นเดียวกันกรรมดีก็ตามสนองให้ผลกรรมชั่วก็ตามสนองให้ผลเนีพระบุคลาพระบุคลามีทั้งกรรมดีทั้งกรรมไม่ดีตามมาเรื่อยๆชาติสุดท้ายของท่านเป็นอัคระสาวกเบื้องซ้ายะพร้อมด้วยฤทธิ์ด้วยเดชเห็นไหมเขาตามไปเอาเขาตามไปเอาวิบากกรรมเกา่าตามเขาตามไปฆ่าเห็นไหม พวกเดรธัธีมันก็สกเหมาะสร้างเรื่องใหม่อย่างนั้นแหละอะเรื่องราเวลามันเกิดมันก็เกิดผสมรอมกันอยู่ไงพกเทียพวกเดรัธีนี่เขาเสื่อมลาบสมัยยุคสมัยพุทธกาลวิญญาณสองพัชนชนอยู่พระสายบุตรพระโมฆลัง น, น่ะอย่างหนูพวกเดรัธีมนเสื่อมลาบเพราะคนหันมานับถือพวกศาสนามากอะไรเป็นเหตุคนนับถือมากเพราะว่า พรมคคลานะเนี่ยสามารถเอาข่าวนรกมาลอยให้ชาวบ้านชาวเมืองฟังมาที่ยวเลยเขาฟังเขาเริ่อมใสศรัทธาทำให้เขางดเขาลดเขาเวียนไปเอาข่าวบนสวรรค์คนนั้นทำดีนั้นได้ไปเกิดบนปิมาณั้นปีมาณั้นมาเล่าให้ฟังคนทั้งหลายเขาเริ่อมใสศรัทธาโอ้ท่านผมรู้รู้จับบาปรู้จักนรกรู้จักสัตว์ไปเกิดในนรกรู้จักสวรรค์รู้จักกรรมให้ไปเกิดบนสวรรค์รู้จัก สัตว์ที่ไปเกิดบนสวรรค์เลยมงสายสัตถาพวกเดรถถัจฉิ์เลยปวดเลา่กกาสกปรกเลยเสื่อมอยู่อย่างอดออดอย่า ง, างนีนี่แหละภาษาพระโมคคัลลา น, นี่แหละเอาข่าวนะครกเอาข่าวสวรรค์มาบอกเขาทําให้พวกเราเสื่อมเลา่าเสื่อมคันอยู่การขนินไม่ได้รับความสะดวกสบายรเจ้าอุบัติขึ้นมามเป็นลูกศิษย์ของลูกเรียเจ้า ท้องเลยจ้างคนไปฆ่าอันดี้จังนักเลงเล่าไปฆ่าไปวาระแรกต่านแต่เราลึกได้ครับตั้งแตมีฤทธิ์เนี่ยตั้งรู้มาตั้งก็รู้ออกมาโอ้คนมาทั้งหอกออกทางหน้าตาไปวาระที่สองมันรู้อีกโว่าริมาตามฆ่าเราเนี่ยทั้งหอกออกหอกทางหน้าตาแมันมีฤทธิ์เนี่ย ในเวลาที่สามก็มาปรงมาพิจารณาโอ้กรรมของเรากรรมเก่าของเราเนี่ยมันตามมาเอาผลกรรมเก่าของมันเออเอาให้มันซะสลายมันซะมันก็นไปทุบท่านจนตายนะขึ้นไปทุบท่านจนตายเข้าใจว่าตายแ ล, ะละ้วลากท่านไปทิ้งที่โคนไม้ที่พุ่มไม้ข้างนอกตั้งแต่ตื่นขึ้นมายังไม่ตายอะ่ะยังมุดเอาหายใจอยู่ตื่นขึ้นมาเยียวยาด้วยสมาบัติสมาธิสมาบัติ โรคลมร้อนกำลังได้กับไปลาพระเจ้าลาตายอย่างันคือร่างกายมันทนไม่ไหวแล้วเรา ถ, ถูกเขตีจนไม่ไหวแล้วแต่หาอยู่ได้ด้วยบุญที่เป็นอรหันต์กุศลที่เป็นพระอารหันต์นเลยเวลาพระเจ้าลาพระเจ้าลาตายเออแล้วแต่การเวลาอันสมควรของเธอเถิดตามการตามเวลาอันสมควรอันเหมาะสมของเธอเถิด ทล้ว ก, กลับไปเขาเขาฆ่าท่านที่กาลาศิลากาลาศิลาตรงไหนไม่รู้อินเดียนใครไปอินเดียไปหาสอบดูนะกาลาศิลาที่เขาฆ่าพระโมคคลลนะตรงไหนเวลาเสร็จแล้วไปลาพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วก็มามาหน้าภาพที่เก่านะแล้วอย่แล้วพระพุทธเจ้าให้ภาษาพวกไปไปทําบุญนะไปจัดสรีละไปเผาไปยังไร เก็บประธาตเอาไว้ที่ประตูรู้อะไรเนี่ยว่าอัครส า, าวกเบื้องซ้ายสาริบุตรอัครส า, าวกเบื้องขวาพระมรณภาพเวลาไล่เรียกันทั้งสององค์นี้มรณภาพก่อนพระพุทธเจ้าวันวันนั้นท่านรู้ว่าท่านท่านจะดับขันเข้าสู่อนุปัสสีสเนผานสาริบุตรท่านเกลือมรณะฤทธิ์ไม่ แม่ท่านเนี่ยยังเป็นปุถุชนอยู่เลยแม่ของท่านบูชาแต่พระพรหมยังนับถือศาสนาพราหมอยู่แม่ของท่านนางวังคันตะอะนางวังวังคันตะพราหมอะอยอภาษาบุตรนางมันตานีบุตรท่านชื่อว่านางท่านชื่อว่ามันตานีบุตรด้วยภาษารีบุตรนางสารีพ่อชื่ออะไร มาบางคันตพรามอะไรแม่ชื่อสารีเราเรียกชื่อตามแม่ว่าสารีบุตรบุตรของนางสารีแม่ไม่นับถึอศาสนาพราหมณ์เลยบูชาแต่พระพรหมจะไม่เคยเห็นพระพรหมสักทีบูชาซื่อๆไม่เคยเห็นสักทีที่รู้ว่าท่านยังร่วงกไปวันนั้นท่านก็เลยคิดถึงแม่เออแม่ยังเป็นปุถุชนอยู่อู่ไม่โปรตแม่ท่านก็เลยไปที่บ้านไปก็ไปนอนป่วย นอนป่วยที่ห้องห้องที่ท่านเกิดน่ะสารีบุตรไปนอนป่วยนั่นทีนี้เทวดาทั้งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเขารู้ว่าท่านจะไปในคืนนี้ต่างคนต่างมาเยี่ยมมาเฝ้านต้องแต่หัวค่ําฉันจ่าตุมเทวดาฉั้นจ่าตุมชั้นยามาชั้นดูสิดชั้นไหนไหมาหมดจนถึงเท้ามหาพรหม เดี๋ยวไฟสว่างสวายมาแเทวดามาเข้าว้ามาแล้วนางสาทียืนอยู่ที่ประตูเดี๋ยวไฟสว่างสวายเข้าไปแล้วเดี๋ยวไฟสว่างสวยเข้าไปล่ะสว่างสวายเข้าไปเลยสงสยังสยก็เลยถามพระสารีบุตรเลยบอกว่าเทวดาชั้นภูมิต่างๆรวมทั้งท เ, เท้ามหาพรหมก็มาเคยเห็นเท้ามหาพรหมนะเราบูชาทุกวันไม่เคยเห็นเลยเท้ามหาพรหม ภาษาทีบุตร้ยพระพรหมเนี่ยพระพรหมก็เหมือนกับเนรน้อยเนี่ยแหละเมื่อกับเนรนน้อยเหมือนก็เป็นคนอุปตเป็นคนอุปถามท่านนี่ยแหละเหมือนกับเนรน้อยโอ้ยเลยเลยงึดลูกได้แตะเนี่ยกระทึงในลูกขอ ง, ของเจ้าของโอ้ยพระพรหมที่เรานับถือว่าเป็นศาสดาเนี่ยเป็นแค่เนรน้อยของของลูกของเราเลูกเราเสริอกว่าพระพรหมอีก เลยเล่าให้ฟังนางก็เลยเนยธธิมสายศรัทธานิมสายศรัทธาเล่าให้กันให้ฟังเกิดความเื่อมสายศรัท ธ, ธาแล้วก็แสดงธรรมะให้ฟังได้เป็นพระโสดาบันเกิดแล้วเสร็จแล้วท่นนานก็นิพพานพอดีในคืนนั้นพระสารีบุตรอะไรโลกอะไรปกขันที่กาพาดเป็นโลกโลกโลหิตถ่ายออกเป็นเลื่อดเป็นน้ำมูกเป็นอะไรพระสารีบุตร ไปก่อนพระพุทธเจ้าที่เราพูดถึงเราพูดถึงผู้ที่ท่านสร้างบา ร, รมีมาเราเร า, รเราพูดถึงเรื่องอะไรเราพูดถึงว่าการทํางานของกรรมสายบุญสายหนึ่งสายสายบาปสายหนึ่งที่มันเป็นคู่แข่งขันของเราแต่ละคนแต่ละคนเราทําทั้งบุญเราทําทั้งบาป บุญทำบุญบุญก็ตามให้ผลเราทำบาปบาปก็ตามให้ผลบุญตามให้ผลเหมือนกับบุญที่พระมุขลานะ ท, านท่านได้เป็นพระอาราหารนะันต์นั่นเป็นครุกรรมหนักฝ่ายกุศลเป็นครุกรรมหนักฝ่ายกุศลตัดกิเลสหมดจากขันทัศนดานจิตก็เลยทิ้งขันห้า ทิ้งขันหน้าเหลือแต่ผู้รู้ที่บริสุทธิ์เข้าสูนานาส่นิพพานเข้าสู่นะิพพานนะมันรู้เข้าสู่นิพพานกิเลสดับเข้าสู่นิพพานแต่ขันยังไม่ดับท่านยังครองขันอยู่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปธรรมรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณท่านยังครองอยู่คนดูแลประคับประคองอยู่จนถึงอายุไขจนถึงอายุไขและอาทิ เพราะความเป็นพระอรหันต์ไม่ใช่มีในขันห้าขันห้าไม่ใช่เป็นพระอาารหันต์พระอรหันต์ไม่ใช่ขันห้าพระอรหันต์คือผู้รู้ที่บอดที่สุดพวกเรามีผู้รู้ด้วยกันทุกคนแต่ผู้รู้ของเราไม่บอดที่สุดยังยึดมั่นถือมั่นในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาหลงเคลื่อไปกับอานาจของรูปของเวทนาของสัญญาของสังขารของวิญญาณ แต่สิ่งเหล่านี้ก็เป็นผลิตผลของผู้รู้นั่นแหละผู้รู้ที่ไม่บริสุทธิ์นั่นแหละเรายังไม่เคยชะไม่เคยล้าไม่เคยขัดไม่เคยเกลา่ามันเป็นผู้รู้ที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ปนเพื้อนกับกิเลสเลยมีเบญทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องมือสื่อสารมาทําให้รูปของเราใช้การใช้งานได้มันต้องมาเกิดในรูปต้องมาเกี่ยวข้องกับรูปเพราะฉะนั้น เราแต่ละคนแต่ละคนเราเราจึงมีทั้งรูปทั้งนามนามก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นนามเป็นอาการของผู้รู้อีกอันหนึ่งนามที่แท้จริงก็คือผู้รู้ที่บริสุทธิ์นั่นแหะผู้รู้แต่ผู้รู้ที่ยังยึดเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนักรูปยังถือว่าเป็นผู้รู้ที่ยังละทิเลตยังไม่ได้มันอย่างพวกเราเนี่ยเราละยังไม่ได้เราต้องบําเพ็ญ เราต้องมบำเห็นเราต้องเจริญเราต้องรักษาศีลเป็นรั้ว เ, เป็นรอบขอบชิดเอาไว้เราต้องเจริญสมาธิเพื่อไม่ให้กเกลื่อนบรรยุแย่ก่อเกวียนในขณะปัจจุบันแล้วก็ต้องเจริญปัญญาเพื่อจะตามต้นไปเห็นรากเงาไปเห็นต้นต่อมันแ ล, แล้วก็ถอนออกถอนรากถอนเงาถอนโคนออกเมื่อถอนออกแล้วมันก็หมด หมดการยึดมั่นถึงมันทราบความเป็นจริงของรูปทราบความเป็นจริงของเวทนาขันของสัญญาขันสัญการขันวิญญาณขันทราบแล้วจ <Ugh. S 2> <g> ิตก็ถอนถอนถอนถอนถอ น, ถอนจากตัณหาถอนจากอุปาทฐานอุปากฐานความยึดความถือความเกาะเกี่ยวหูกพันในรูปเวทนาสัญญาสัญการไม่มีจิตมก็ถอยออกมาถอนออกมาถอนตัวเองออกมาจากสิ่งนั้นถอนจากรูปถอนจากเวทนาถอนจากสัญญาสังการวิญญาณ ถอนออกมาอยู่กับผู้รู้ที่บริสุทธิ์ได้แต่จะถอนได้จะต้องฝึกฝนอบรมอย่างยิ่งยวดถึงจะสามารถถอนได้ประกอบด้วยวิิยะอุสาหะความภาคความเพียรเอาเป็นเอาตายเข้าแลกเข้าใส่ถูไถเหมือนเขาเขาถูจนได้ไฟใช้ถู ถ, ถูถูไม้ให้เกิดไฟถูจนได้ายใช้ไฟไม่ใช่ไม้ไม้ไม่ใช่ไฟ แต่ไฟมันก็เกิดจากไม้นะไม้ที่เราถูทูถูทูก่อนที่จะเป็นไฟมันก็ออกร้อนแต่ออกร้อนที่ไม่มีไม่มีรูปตัวไฟให้ดูออกร้อนออกร้อ น, อ อ, อ, นออกขมเมาดํ ำ, ด ำ, ดำขมเมาดํา ำ, ำจากนั้นก็มีไฟแรงๆ แ, แ, แล้วก็เป่าอความแรงๆที่มันร้อนนั่นเอาเลยสะปักติดเป็นเปลวไฟขึ้นมา เราได้ไฟใช้ธรรมะเกิดขึ้นที่หัวใจผู้ที่เข้าถึงรู้เข้าใจเหมือนกับผู้ที่ทําไฟได้ใช้ไฟทํมาอยังไงธรรมะทําน้อยอย่งไรไฟถึงได้ติดถึงได้ไฟใช้เราทํำจนได้ไฟใช้ในจใจของเราเราก็ทราบชัดแกนใจของเราเอ ทำธรรมดาธรรมดาทำท่าท่าทำหยุดมันก็สีไฟ ส, สีสีสีหยุดอ้าวพอหยุดมันก็เย็นแล้วถูอีกเริ่มร้อนหยุดไม่เย็นอีกแล้วทำหยุดทำหยุดทำหยุดทำหยุดทำหยุดมันก็ร้อนเย็นร้อนเย็นร้อนเย็นยุดร้อนเย็นอยู่อย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นพวกเราถูไฟไม่ติดสักทีผู้ที่ถูไฟติด ถูถูกวิธีเอาไม้แห้งมาถูถูอย่างถูกวิธีถูอย่างต่อเนื่องหนักหน้าไปเรื่อยพอเริ่มดำดำโอ้ใจติดแล้วขยับเข้าไปเลยขยับเข้าไปควันออกกขยับก็ใหญ่เลยออกแดงเป็น่านแดงๆยิ่งขยับใหญ่เล ย, ออ ข, ย, เลยขยับเป็นเอาเป็นเอาตายเขาแหละเข้าใส่เลยในที่สุดว่าไใช้ไฟใช้หมายความว่า จิตดวงนั้นให้สามารถถอนตังหาอุปาทานจากขันธ์ทั้งห้าได้เป็นผู้หู้ที่บริสุทธิ์อยู่เฉยๆไม่มีโอกาสหรอกอเฉยไม่มีวาสนาที่จะได้เลียลิ้มรสแต่เราเริ่มตั้งใจทำหากได้ลิ้มรสเปรี้ยวหวานมันเค็มไม่มากก็ น, น้อยรู้รสชาติของมันไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ เ, เป็นกำลังใจ แขกความสงบเราก็ได้รับความสุขความสุขเกิดขึ้นจากความสงบ จ, จากนั้นแล้วทำใหจิตดรงนั้นในอศัศจรรย์แปลกประหลาดอาศัศจรรย์เป็นจิตเป็นจิตที่ใกล้ต่อสัจจ์ใกล้ที่จะเห็นสัจจ์ส่วนลยเอียดเป็นจิตที่ศักดิ์สิทธิ์บางคนนึกก็ศักดิ์สิทธิ์พูดออกมาก็ศักดิ์สิทธิ์เพราะจิตมีสมาธิความสงบ ในนั้นมีสีที่มีอยู่ในนั้นก็คือความสุขความเปิกอิ่มความปีติความทราบซาดความอะไรอยู่ในนั้นหมดการจิตตรงนี้มันพร้อมที่จะพัฒนาถ้าเราไปให้ให้เขาทํางานให้เกิดไปแยกแยะมัแยก แ, แยะนี่ไปศึกษาไปค้นควา้าเขาพร้อมที่จะเห็นเห็นว่าสภาวะัรูปเป็นยังไงสภาวะนามเป็นยังไง เกี่ยวข้องกันยังไงกิเลสเราธรรมะมาใช้กิเลสมันมันยุ่ยเย่ก่อขวนให้เราหลงเคลื่อนไปตามอำนาจของมันยังไงตอนไหนเราทราบอุบายทราบวิธีแล้วก็มีความภาคความเพียรต้องตั้งใจทำเราต้องให้โอกาสกับตัวเราเองสะสมอบรมไปด้วยสงสมอบรมไปด้วยเห็นโทษเห็นโทษเห็นไปจริงก็เอาที่อาบใจนับตายอับใจเลย อยู่เฉยๆไม่ม uh de ีโาสความแม้แต่ความเริ่มใสศรัทธาอยู่เฉยๆให้เริ่มใสศรัทธามันก็ไม่เริ่มใสศรัทธาเพราะมันไม่เคยคิดถึงผลว่าอะไรจะเกิดขึ้นอยู่จืดๆเฉยๆเฉยๆเหมือนน้ําจืดๆเคยมืดอย่างไงก็มืดอยู่อย่างนั้นปัญญาข้างในภายในหัวใจเคยมืดอย่างไงก็มืดอย่อย่างนั้นสัจจคติที่จะตั้งกับสิ่งนั้นตั้งกับอะไรก็เลี้ยงหมด ตังกับอะไรก็ล้มหมดตั้งกับอะไรก็ล้มหม ด, มหมดสัจจะเป็นสัจจะไม้เป็นหลักปักขี้เลนเป็นไม้หลักปักเลนปักขี้ตรงปักปักเอ่ยงเที่ยงตอนปักอย่างเที่งย ง, งแต่ด้วยเหตุที่ไปปักเลนม่รู้จักประคับประองและดินไม่ดีเราไปปักเลนเอลงเอลงเอลงเอลงพ่อนไปเรื่อยผ่อนไปเรื่อยเอล ง, iling, อลงไปเรื่อยเอลงไปเรื่อย เราดูแต่ลุงตาท่านพูดถึงความจริงของทรรมนะจิตนี้เด็ดมากจิตนี้เด็ดขามากตั้งยังไงเอาตั้งยังไงอย่างนั้นเลยอะไม่มีใครมาเปลี่ยนได้ไม่มีเหตุผลเหนือนนั่นเน่ย wondered, เปลี่ยนไม่ได้ไม่มีเหตุผลเหนือยนั่นเปลี่ยนไม่ได้ท่านพูดถึงนี้ิสัยของท่านนิสัยเด็ดขาดขนาดนั้นเห็นว่าเกเรหรือขาดได้เราหัดสร้างนิสัยเด็ดขาดก็ได้ คนที่หัดสร้างนิสัยเด็ดขาดก็คือคนหัดมีสัจจะใหกับตัวเองแหละตั้งยังไงก็เอาอย่างนั้นให้ได้ตั้งยังไงก็เอาอย่างนั้นให้ได้ยังไม่แน่ใจไม่ตั้งตั้งยังไงก็รู้ประมาณกําลังของตัวเองแล้วเอารู้ประมาณกําลังขตัวเองแล้วกตั้งเอาตั้งนั้นตั้งนั้นตั้งเราต้องข่อยหนักสักหน่อยก็ได้ให้เป็นการดักนิสัยดักจิตนิสัยจิตมักง่ายนิสัยมักง่าย นิสัยอ่อนแอนิสัยอ่อนไหวอ่อนไหวเหมือนดินทรายเหมือนดินเลนนั่นแหละเหมือนดินคริตอลนั่นแหละปรับแล้ไม่อยู่เอ็นไปเอ็นไปเอ็นไปถ้าเราจะเทียบเหมือนอะไรเหมือนเราอะไรไปปรับปูนที่มันยังไม่แข็งนั่นแหละปรับนะมันยังไม่แข็งครับเอ็นเอนเอ็นเอมันแต่ไม่ต่างอะไรกับดินทรายเราก็ทําตัวอุปมาเอามือนกระปูนกัแล้วกันเอ้าเตะปรับเตะปรับ เรปรับปไปสักหน่อยพยายามประคับประคองทนทนทนทน ท, น ท, นทนไปสักหน่อยเออเดี๋ยวมันก็เที่ยงเองพอมันเริ่มแข็งเหมือนกับปูนพรมันเริเ่มแข็งก็ยึดตัวได้สติปัญญาของเราก็เริ่มแข็งสักจากของเราก็เริ่มแข็งความอดความทนของเราก็มากขึ้นปัญญาของเราก็มากขึ้นบารมีของเราเพิพ่มขึ้นมันไม่มีใครอยู่เท่าเดิมดอกอบรรดาผู้สร้าง บุญสร้างกุศลทั้งหลายมันไม่มีใครอยู่เท่าเดิมมันจะต้องเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น เ, เ, เป็นพิบากกรรมแต่อย่าไปคิดว่าทำอันนี้แล้วจะกลายเป็นก้อนเป็นแท่งมาให้เราเห็นบุญก็ให้ผลทันตาตอนนี้แหละแต่ต้องดูด้วยปัญญาถึงจะเห็นเห็นด้วยปัญญาให้ทานนะทําทานนั่งสมาธิเห็นผลตอนนั้นจเจริญปัญญาเห็นผลเห็นผลทันตานั่นแหละแต่ต้องเห็นด้วยปัญญา ไม่ใช่ปัญญาดุไม่เห็นเรามักจะไปคาดปเป็นาเอา้าเออมันน่า จ, จะเป็นก้อนเป็นแท่งมา อ, อืบุญน่าจะเป็นก้อนขาวๆก้อนเป็นแท่งมาเนีเออ่ยแหละบุญไม่ใช่ลักษณะนั้นลักษณะของบุญก็คือความสุขสบายของใจความเบา อ, อกเบาใจความปลืม้มความปีติความดีๆความเบา อ, อกเบาใจ ความปลอดโปร่งในหัวใจความไม่หนักใจมันไม่มีปัญหาอย่างเื่นมานหนักหน่วงโผล่ใจเนี่ยบุญทั้งนั้นเลยทาให้จิตใจชุ่มย็นเบิกบานอิ่มเกลื่อนอิ่มใจอิ่มจมนไม่หิวไม่หิวข้าวไม่หิวน้ำบุญไปในหัวใจแต่ถ้าหากบุญสองคนให้เราไปเกิดที่นู่นที่นี่เออด้วยเหตุที่เรามีบุญมากมีปัญญามาก เราก็จะเกิดในที่ดีเกิดจะเกิดปุญญาดีผลที่เราสร้างเอาไว้ทำาอาอยมันหาให้ผลเป็นวิบากมันจะต้องให้ผลที่ทำแล้วไม่ให้ผลไม่มีแต่ว่าการให้ผลของบุญก็ตามการให้ผลของบาปก็ตามก็คือหลักของเหตุกับผลนี่แหละบุญที่เราทำลงไปแล้วเนี่ย สมมติกิริยาที่เราทำเราทำไปแล้วนี่ทำให้เราได้รับความสุขคนอื่นที่เกี่ยวข้องกับเราที่เราทำคนอื่นก็ได้รับความสุขแต่ถ้าเป็นบาปเป็นไหนเราทําลงไปแล้วนี่เราเบียดเบียนตัวเราวอาเบียดเบียนคนอื่นด้วยเราก็พรอยได้รับทุกคนอื่นที่เกี่ยวข้องกับเราก็พรอยได้รับทุกนี่คือคือบาปสิ่งนั้นเราไม่ต้องไปจบในจุดนี้ เราทายว่าลักษณะการทำแบบนั้นนั่นแหละคือกิริยาธรรมบาปกิริยาธรรมบุญเราทําไปแล้วก่อนทําเราก็ดีใจทําเสร็จแล้วเราก็แช่มชื่นหัวใจคนที่เกี่ยวข้องกับเราก็ไปไรับได้รับความสุขใจให้ผลเป็นสุขให้ผลเป็นประโยชน์ไม่ให้ผลเป็นโทษแต่เรื่องของบาปให้ผลเป็นโทษเราทําเหตุแห่งบาปแต่เราเข้าใจว่าเป็นบุญ ทัพฤติกรรมที่เราทํามันเป็นพฤติกรรมที่จะทําให้ผลได้ผลบาแต่เราคิดว่าเราคิดว่าเราทำบุญผลมันก็ให้ตามพฤติกรรมนั้นแหละเหมือนอย่างที่เคยเปรียบเทียบอยู่เรื่อยว่าจุ่มสีดําเอาไปป้ายมันก็ต้องเป็นสีดาจุ่มสีสีดาเวลาเอาไปป้ายเอาไปเขียนเอาไปป้ายจุ่มสีดําก็ต้องเป็นสีดํา การกระทำของคนในโลกนี้ทําสารพัทุกอย่างไม่กคำนึงถึงเหตุว่าให้ผลเป็นยังไงแต่ต้องการความสุขความเจริญเหมือนกันเราต้องเมื่อกับเราป้ายเมื่อกัเราไ ป, าปจุ่มสีดําแต่เวลาไปไป้ายเราต้องการให้เป็นสีขาวเี็นไหมนี่คือการปีนเกลียวระหว่างเหตุกับผลการที่เราไม่ฉลาดความนึกคิดในใจของเรามันจะปีนเกลียวของเราตลอกกิเลสภาเราปีนเกลียว การปิีนเปลี่ยวจากสัมมาทิฏฐิปลีนเกลียวให้เป็นมิจฉาทิฏฐิกิเลสมันจะปิีนเกลียวให้เป็นมิจฉาทิฏฐิสร้างอากุศลแต่มันปลีนเกลียวให้เราเข้าใจว่าเป็นกุศลแล้วเราวางเราก็าาทําไปแต่ในสุดมันก็ให้ผลเป็นอกุศลเพราะเราสร้างเหตุที่เป็นอกุศลเมื่อเราจุมสีดําเวลาเราไปป้ายไม่ต้องเป็นสีดำแต่ความหวังของผู้ทําเนี่ยจุมสีดํา ต้องการสีขาวเวลาไปไป้ายต้องการให้เป็นสีขาวให้ไหมันตรงกันข้ามเลยที่คิดว่าสิ่งนันจะให้ผลคือความสุความเจริญทำไมเราต้องได้รับแต่ทุกข์ได้ยากแต่ลำบากอยู่เราไปหลังจากเราทำเสร็จแล้วไม่เห็นได้รับความสุขใจคนอื่นที่มาเกี่ยวข้องก็ไม่เห็นได้รับความสุขใจแท้จริงก็คือสร้างเหตุแห่งบาปผลบาปก็ตามมาณ ใ, ในปัจจุบันมันได้ผล เป็นพิบากกรรมในโอกาสต่อไปมันก็ให้ผลกรรมบางอย่างให้ผลในอัตภาพนี้กรรมบางอย่างให้ผลในอัตภาพต่อไปข้างหน้ากรรมบางอย่างให้ผลในอัตภาพไปข้างหน้าอีกสองสามอัตภาพที่จะคอยตามให้ผลกี่ครั้งกี่ครั้งกรรมมันให้ผลอย่างไม่หมนก็ตามให้ผลอยู่นั้นมันไปได้ยังไงเราเอาอะไรใส่เราเก็บสะสมมันไว้กับอะไร สัญญาที่เป็นตัวอุ ป, ปาทานนี่แหละอุปาทานที่เรายึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เราทำนั่นแหละอะไรเป็นตัวยึดมั่นถือมั่นจิตนี่แหละจิตที่ปนเปื้อนด้วยกิเลสนี่แหละมันพายึดมั่นถือมั่นด้วยตัณหาด้วยอุปาทานตัณหากับอุปาทานเป็นผาชนะรับบาปรับกรรมในใจดวงนั้นในใจของเราในใจของท่านตัณหากับอุปาทาน ตันหาคือความอยากในหัวใจของเรามันอยากยังไงมันก็ยึดอย่างนั้นการยึดนั่นแหละที่เรียกว่าอุปาทฐานยึดยังไงก็ไต้ไปเกิดอย่างนั้นมีภพมีชาติที่จะต้องไปเกิดอย่างนั้นเกิดเป็นพบเกิดเป็นชาติเพราะฉะนั้นตันหากับอกปาทฐานที่มีในหัวใจของเราเมันเป็นภาชนะเก็บบาปเก็บบุญพระอริยเจ้าท่านทําทําลายตันหาทําลายอกบาทานหมดแล้ว กิจของท่านไม่เก็บบาไม่เก็บบุนเหืือผู้รู้ที่บริสุทธิ์บุญให้ผลเต็มเต็มที่ทําให้ท่านถอนออกถอนออกจากอันทรางแล้นะบุญให้ผลเต็มที่ไม่มีเพราะไม่มีชาติไม่มีจุติไม่มีเกิดไม่มีดับไม่มีที่ไหนอีกแล้วเพราะผู้รู้ที่บริสุทธิ์เป็นหนึ่งเดียวไม่มีสถ้าเป็นสองเป็นสังขาร สังขารตั้งแต่สองสองสิ่งขึ้นไปมันจะทําให้เกิดกิริยาเกิดปฏิกิริยามันจะทําให้เกิดอันิจังทําให้เกิดทุกข์ขันธ์ทให้เกิดอันิจังทําให้เกิดอนัตตามันเป็นภาวะการทํางานของสังขารทั้งนั้นจิตของพวกเรายัางมีสังขารมายุแยมมาเกาะควในหัวใจทุกระยะทุกวันทุกเวลาทุกนาทีเพราะฉะนั้นบางครั้งเราก็หลงไปกับกิเลส บางครั้งเราก็ทำไปตามอานาจของเถาบางครั้งเราก็ทำไปตามอำนาจของคิเลอโอกาสที่จะตัดปัญหาแม้แต่แม้แต่ปัญหาที่ที่เป็นเหตุให้เราต้องไปต่อสู้เพื่อจะเป็นพระพุทธเจา้าแม้แต่ชั้นชั้นแรกต่อสู้เพื่อความเปลี่ยนอันนั้นแม้แต่อันนี้เราก็ยังไม่รู้เรายังไม่เข้าใจ เพราะฉะนั้นภายชนะของเราก็ยังเต็มภาชนะของเราก็ยัางพร่องบุญอย่างเต็มย อ, อย่างพร่องบุ ญ, เ ต, บญเต็มด้วยบาปอยู่ถ้าเราจะคิดเปรียบเทียบแล้วก็คือตั้นหาวปาฐานนี่แหละเป็นชัยชนะเก็บมาปเก็บบุญของเราผู้ที่ท่านรักตั้นหาวปาฐานได้แล้วท่านไม่เก็บทั้งบาปทั้งไม่เก็บทั้งบุญ ท่านทำลายภาชนะเสร็จแล้วทำลายภาชนะได้แล้วต่อยพาชนะเสร็จแล้วไม่มีที่เก็บเพราะฉะกิริยาที่ท่านทำศัพท์ที่ว่าเป็นกิริยาพระอาหารหันต์ท่านทำอะไรกายกรรมก็ให้ผลในส่วนของกายวิจีกรรมก็ให้ผลในส่วนของวาจารมโนกรรมที่จะเอาจิตตรงนี้ไปปฏิสนธิไปอะไรก็ไม่มีอเมื่ออย่างพระโมคคลานะเนี่ย มันมาให้ผลทางกายากรรมมันมาให้ผลทางกายพราะตอนนั้นท่านมีกายอยา่ท่านยังไม่ถึงนั้นกว่าที่เสียสิ้นผ่านท่านยังมีกายอยู่มันก็มาตามเอาผลกรรมของมันร่างกายนี้อย่าลืมว่าผลร่างกายของเราของท่านเป็นผลของกรรมนะมันเคยทํากรรมมาแล้วมันก้าวไปไม่พ้นความได้ที่บากกรรมที่เป็นรูปธรรมมันก็มันก็ได้มาอย่างนี้นี่เป็นเสียเป็นเลยเป็นผลผลของกิเลสที่มันผลิก ชีวิตเราทั้งชีวิตเป็นผลิตผลของที่เลวที่มันสร้างมันทํามาทำให้เราเลยครับอยู่อย่างนี้ไม่ใช่มันเกิดขึ้นลอยๆไม่มีเหตุเหตุปัจจัยส่วนละเอียดก็คือจิดมาจากจิตเหตุปัจจัยส่วนยาบร่างกายของเราได้มาจากพ่อจากแม่มีเหตุปัจจัยส่วนยาอได้พ่อได้มาจากพ่อจากแม่มีใครเอาอะไ ร, ะไรสักหย่อนหนึ่งไปเกิดในท้องพ่อท้องแม่ไหมไม่ไมี ธาตุพ่อธาตุแม่ผสมกันวิญญาณ้วเข้าไปจับจองเฉยแล้วก็ใหญ่โตมาเป็นรูปเราเป็นรูปท่านเนี่ยทั้งก้อนเป็นของพ่อของแม่นะอาศัยว่าใจนี่มันมาจับจอง ม, มันมายึดมั่นถือมั่นซื้อๆยึดยึดจนสําคัญมั่นหมายว่าเป็นเราเป็นของของเราอย่างเต็มแพร่การพิจารณาให้เกิดความเข้าใจพอจะได้เป็นคุยหมายไพร่าถาง รูปธรรมของเราของท่านได้มาจากพ่อจากแม่พ่อกับแม่บวกกันกลายเป็นสังขารบวกสังขารสังขารพ่อกับสังขารแม่บวกกันกลายเป็นสังขารใหญ่สังขารเวลาเขาขประกอบกันแล้วเขาอยู่ของที่มันไม่อยู่เวลาท่านอมีความพร้อมที่จะจิตจะลองไปปฏิสนธิได้ตั้งเป็นคันขึ้นมาเป็น เป็นหยดน้ําเล็กๆกันมองไม่เห็นเล็กใสๆเล็กๆใสๆเอ๋น้ําที่น้ําที่ธาตุพ่อธานุแม่ที่ผสมกันเป็นน้ํำเล็กๆก้อนเล็กๆเนี่ยมันจะไม่คงที่มันจะปรับตัวขึ้นปรับรัวขมาเรื่อยๆโตมาเรื่อยๆโตข้นมาเรืยเป็นน้ําใสๆเป็นน้ําข้นๆเป็นน้ําเป็นเลือดเป็นเลือดข้นๆเป็นก้อนเนื้อ โตขึ้นเรื่อยขยับมาเรื่อยขยับมาเรื่อยสังขารมันปลุกมาตามสิ่งที่ทําให้สังขารเหล่า น, นี้ปลุมกันได้เกาะกุมกันได้เป็นกลุ่มเป็นก้อนกันได้เพราะมีกรรมอยู่ที่จิตเข้าไปเกาะไปกลุ่มทําให้สังขารตรงนั้นเจริญวัฒนาถาวรมาจิตตรงนั้นก็ยังใช้สอยอะไรไม่ได้น่าจะเกาะกุ่มเกาะจับจองอยู่นั้นแหละจนกวรจะออกมาออกมาจากท้อแม่ถึงจะมาใช้ประโยชน์ได้ อยู่ในท้องแม่ใช่อะไรยังไม่ไอมอกมาจากท้องท้องแม่ปับ๊บอ่าร้องไห้ทันทีเห็นไหมโอ้โลกเนี้ยทุก channel ให้ทันทีเลยอ่นี่คือทุกเกิดการเกิดคือก้อนทุกเกิดก้อนทุกเท่านั้นเกิดขึ้นก้อนทุกเท่านั้นตั้งอยู่ก้อนทุกเท่านั้นดับไปนอกจากทุกไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกไม่มีอะไรดับทุกเรื่อง นางวชิราภิสุลีทนานอุทานขึ้นมาโอ้ทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นตั้อยู่ทุกเท่านั้นดับไปนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเดินนี <Yeah. S 1> พ่พิสุลีที่ท่านได้ได้เข้าถึงอัดถึงเขา่า <Yeah. S 1> เห็นไหมเราได้เกิดเจรในเท่าไหร่มีใครอยู่เท่าเดิมอีกไหมตัวมาตัวมาตัวมา โตมาโตมาเป็นปัญจสาขาขาสองแขนสองลำตัวหัวเป็นปัญจสาขาเจริญตามอายุไขของการอบติเป็นมนุษย์แปดเน9ก้าเดือนก็ออกมาสิบเดือนก็ออกมากลอดกมาออกมาทีแรกก็แว่เลยแหละ น, นทุกเกิดขึ้นแล้วอยู่ในท้องแม่รูปธรรมมันก็ให้ผล ให้เสบียงให้อาหารเห็นไหมสายรกนั่นแหละนั่นอาหารจากแม่แม่กินอะไรเข้าไปลูกก็ดูดด้านั้นเข้าไปแม่กินอะไรเข้าไปลูกก็ดูดด้นั้นแหละเข้าไปไปรังเข้าจึงให้ระวังคนมีท้องให้ระวังกินเผ็ดเกินไปกินร้อนเกินไปกินอะไรเกินไปกินร้อนมากๆอ่ะอยู่ไม่ได้หละไอ้ก้อนเล็กๆก่อนนั้นอ่ะละลายไปแล้วแท้งตกละ คืให้เท่าวันนี่คือความเป็นมาของรูปธรรมโตขึ้นมาออกมาพอมาสมองมีอยู่จิตใจก็เท่าเดิมนั่นแหละแต่ว่าสมองมันสนองตอบยังไม่ได้เรียงษาป่าวนหนึ่งปีสองปีสามปีสี่ปีห้าขวบนูนถึงวัยเป็นเจเพศสติปัญญาใช้ได้เต็มที่สิบปีห้าปีสิบปีสิบห้าปีขึ้นไป ยิ่งพัฒนายิ่งพัฒนายิ่งไปเรียนไปรายรด้วยกับไอ้ผู้รู้ที่ที่สะสมไปดั้งเดิมเมื่อยิย่งโผล่ขึ้นมาโผล่ขึ้นมาโผล่ขึ้นมาจนถึงเต็มที่เป็นผู้มีเหตุมีผลเป็นผู้มีอะไรเป็นของของตัวเองเด็กๆไม่มีเหตุไม่มีผลเพราะเด็กๆ เ, เขายังจิตดวงนั้นเน่ยใช้ใช้ยังไม่ได้เต็มที่การจะนึกจะคิดจะอะไรแต่ความจำมีอยู่สัญญาคือความจํามีอยู่ เพั้เด็กๆเราให้เขาว่าทําอะไรเขาก็จําได้เขามีเวทนาก็มีสัญญาก็มีเวทนาสัญญาสังขานเขามีวิญญาณวิญญาณคือมีจิตมีผู้รู้อาศิงอาศัยอยู่ในนั้นหรือวิญญาณธาตุมียานธาตุิญยาณธาตุในกรนี้ก็คือรู้ประสบตาเห็นรูปความรู้เหมือนเรานั่นแหละแต่ที่ประมาณยังไม่เป็นเพราะผู้รู้แสดงให้แสดงตัวปรากฏเต็มที่ไม่ได้ สมองที่มันเป็นสื่อกลางที่จะรับเสนองผู้รู้เนี่ยมันยังไม่เต็มที่ยังไม่แข็งแรงพอใช้งานได้อย่างไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นวัยเล็กของเราเนี่ยแต่ผู้รู้เน่ยเขารู้เท่าเดิมเลยเขารู้เหมือนเดิมวิบากกรรมที่กลมแปรมาเน่ยเขาก็เท่าเดิมเหมือนเดิมตอนนั้นก็ตามบางคนยังยังจาได้ไง่ายๆเป็นเด็กๆนี่แหละเป็นเด็กๆนี่แหละเช่นอย่างเขาเคยบวชเป็นพระ ตายจากเป็นพระปักเมาบาดเกิดในอัคภาพไม่มีไม่มีอย่างอื่นมากั้นตายจากความเป็นพระปักมาเกิดมาเกิดอีกปักจำได้หมดเลยแหละ <c oughs> เคยสวดเคยเท่านี้นี่คาทิลัสเราเราเห็นเขาออกไปบ้านในจริงแล้วเขาเปิดทีวีเราได้ดูเขาเอาเนานไปถามสวดยะถาสพีสวดไอ้นั่นได้หมดเลยนะสวดออกเสียงมาโคดเสียงอะไรเนี่ยแสดงว่าเคยบวชเป็นพระธรรมยุทธ <c oughs> เราถามโฟนักโอ้ยโฟนัเขาดูเ็เห็นว่ายันเบื่อแล้วเราไม่เคยเอไอ้อะไรเนี่ยมันเอา ไ, าไาอั้ลาพัดไอ้ลาพัดอ๋อก็กภูมรู้เก่าของเขามันจำได้หมดอนะ่ะมันสวดอันนี้นะเอมันสวดไอ้คาถาไอ้สีตังมุ่หางได้เนี่ยมันสวดคาถาอาตานาทิยัะได้ไหมเนี่ย แสดงว่าเขาพบคุ said, him him. Him him. We enemy, brick, ้มเขาเนี so so mind, so ่ยตายต้องได้มาเกิดปั๊บเขาจําได้เหมือนจะคุ้นโชดอวัดวิชรานกรปรับช่องอะท่านจาได้ท่านตายปั๊บท่านไปเกิดในท้องนางเหรียญนางเหรียนนางเหรียญคนนี้เป็นแม่ไปเกิดในท้องนางเหรียญแต่นางในนางในนางนางเหรียนเนี่ยนางเหรียนเนี่ยตอนที่ไปเกิดนางเหรียนเนี่ยเป็นน้องในอัตภาพที่เพื่อนยังไม่ตายท่านเป็นพี่ชาย พอเพื่นตายไปแล้วเนี่ยว่าเหรียญนี่มีลูกก็เลยนึกถึงเลยกิจใจก็เลยร่องรอยไปร่องรอยไปพอไปถึงก็หมดความรู้สึกอยู่ตรงนั้นหมดความรู้สึกอยู่ตรงนั้นก็ก็เลยวิญ ญ, ญาณของเพื่อนเลยไปเกิดเป็นลูกของคุณเหรียญแต่ก็เลยแปลกว่าทําไมคุณเหรียญนี่เขารักษาคันมาจนเจ็ดเดือนแปดเดือนเ้าเดือนแต่ทําไมเพื่นตายปุ๊บฝนร่องรอยไปแล้วไปวูบหมดความรู้สึก หรือว่าไอ้วิญญาณเก่าที่เขาเคยเกาะกลุมมมันมันอ่อนไปแล้วก็ถูกวิญญาณวิญญาณดวงดวงนี้แก่กล้ากวา่าไปแทรกแทนอย่างนี้ก็เป็นได้อันนี้เราก็มีหลักว่าเช่นอย่างคนเข้าสรงเนี่ยมันสามารถมาเข้าสกได้คือวิญญาณมาแทนที่กันได้เพราะงั้นเหตุเนี่ยไม่กี่วันเนี่ยเทพฤาษีมาทรงเนี่ยเขาพระสัตวมาละไรให้เรา เนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่มีแล้วเป็นไปได้และมีหลักฐานปรากฏอย่างนี้เราก็เห็นอยู่สิ่งเหล่านี้มันมีอยู่นี่นี่หลวงปู่ชดเนี่ยที่ท่านท่านบวชกันได้เป็นเจ้าคุณชั้นเทพพระเทพสุทากาลเป็นเป็นพระที่ประชาชนรักมากจนมาสร้างวัดชื่อว่าวัดวัชราลงกรเนี่ยวัดของป้ายชายวัดสร้างให้เจ้าคุณชดหลวงปู่ชดด้วยเป็นลูกศิษย์ลูกคนหนึ อุชอดเป็นลูกศิษย์ของปุ่นนี่วัดมัจจาลงังกอนะคือเพิ่นทราบว่าเพิ่นตายตายแล้วว่าจิตหนึ่งคก็ล่องลอยไปแล้วเลยนึกถึงว่าเหรียญ น, นางเหรียญเป็นน้องสาวคลอดลูกก็เลยไปเยี่ยมเหมือนกัไ ป, ไปพอไปถึงไปวู้หมดความรู้สึกที่ตรงนั้นก็แสดงว่าเข้าไปเข้าไปในรูปธรรมเข้าไปสิงอาศัยอยู่ในนั้น พอออกมาคนจําจําเหนือได้นะจําได้หมดเลยเป็นงนัินเป็นเงน้นเป็นเงน้นเป็นเัินเป็นเงนิแต่คนโบราณถ้าใครจําได้เนี่ยเขาเขามักจะทําให้ลืมแล้วก็หนึ่งเขาจะไม่ให้พูดสองเขาจะมีวิธีทําให้ลืมเขากลัวกลัวกลัวจะตายง่ายได้ยัไงไงเหมือนกันแต่ก็มีเยอะคนจําชาติได้ถึงไม่ใช่ระลึกได้นะจําได้อันนี้เขาเรียกจาไ ด, ได้ไม่ใช่ยานระลึกได้ จำได้นี่เราพูดถึงจ ını, ish, ิตนะเราพูดถึงจิตจิตของเราที่ไปจับจองในท้องแม่ก็เช่นเดียวกันนี่แหละโตมาเราก็ไม่มีไม่มีอะไรเรามายึดถือเและเกินของกายเรากายของของเราเราย้อนดูไปตรงนั้นไม่มีอะไรเป็นของเราสักหยดเลยเลือดสัหยดก็ไม่เคยมีเราเอาอะไรไปเกิดไม่มีของพ่อของแม่ทั้งหมดนี่พวกเราได้เข้าโคลงมาจากพ่อจากแม่ เดี๋ยวนี้เรามอบบริโภคข้าวปลาอาหารเองเข้าวปลาอาหารก็เป็นอาหารว่าหล่อเลี้ยงเราแต่อาศัยเขาครองเดิมที่เราได้มาจากพ่อแม่เพราะฉะนันะ้นพ่อแม่ยังเป็นยังเป็นตัวเราอยู่ไม่ใช่ว่าอะไรข้าวปลาอาหารที่เราทานไปเป็นวันๆก็ไปหลอ่อเลี้ยงอัตภาพนั่งกัดไอเจรห้เสื่อมไปกุณไม่อยากเราอดข้าว ม, มากๆแบบจอยลงจอยรงผอมลงผอมล ง, มลงรับทานของดีของดีถูกท่าถูกขันอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นมีกำลังวังชา มันก็มาจากอาหารนั่นแหละแต่ว่าร่างกายนี้มันก็เจริญตามวัยของมันว้เด็กไว้เด็กไว้เด็กไว้เรียนไว้หนุ่มไว้สาวไว้กลางคนแล้วก็เริ่มแก่แก่แก่แก่ไปเก้าสิบปีร้อยปีใข้ก็ตายไม่ใข้ก็ตายเจ็บก็ตายไม่เจ็บก็ตายอายุไขคนร้อยปีเดี๋ยนี้เหลือเท่าไหร่เหลือเจ็ดสิบห้าปี อายุไข่พวเราทุกวันนี้เหลือ75ปี80 75 75ก็คือโอว่ า, ายุคพระพุทธเจ้าอายุ100ปีแหละคนยุคยุคนั้นอายุ100ปีใช่ไหมนี่ก็า100ปีคนจะอายุสั้น1ปีร้อปีอายุสั้น1ปีร้อปีอายุสั้น1ปี 1, ป 2,500 เราว่าปุอณีเกณฑ์อายุ75ปี ที่เราศึกษาข้ในเราก็ได้ยินใด้ฟเรื่องเหล่นี้แม้แต่ร่างกายของเราที่เกี่ยวข้องกับการเกิดขึ้นสำคัญคือสังขานสังขานเขาจะมีลักษณะสองอยา่างหนึ่งเขาจะไม่คงที่พุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่าทุกขงังทุกขงังสองท่านว่าต้องเปลี่ยนแปลงไปพุทธเจ้าทาา่านทรงตรัสว่านิจนจังนิจจังความไม่คงที่กับความเปลี่ยนแปลงไปมันเหมือนกับเป็นอันเดียวกันแต่ก็ไม่ใช่ มันก็ไม่ใช่ชว่าทุกขังอย่างเดียวก็ไม่ใช่จะเป็นอนิจจอย่างเดียวก็ไม่ใช่แต่หามันเปลี่ยนไปมันด้วยเหตุที่มันคงไม่คงที่มันเปลี่ยนไปก็เลยมีทั้งทุกขงังมีทั้งอนิจจ์อันนี้เป็นภาวะของสังขารของเราเไม่อยู่ในการบังคับบัญชาของใครเพราะจัดเอาใจมานึกมาคิดว่าร่างกายของเราต้องอยู่อย่างนี้เถอะอย่าแก่อย่าเท่าอย่าเลย เราไม่อยากกินข้าวอื่องนี้ให้เรามีกำลังว่างเช้าไม่ต้องกินอะไรเลยให้มีอายุอยู่ให้มีกําลังวังชจยนี้ใจปรารถนาเท่าไหร่ก็ปรารถนาได้แต่ร่างกายมันเปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัยของมันมันต้องเปลี่ยนไปมันทนอยู่เท่าเดิมไม่ได้มันต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัยของมันะ เราอยากทดลองดูง่ายๆอย่าง อ, าอดอาหาร5วัน10วัน20วันสักเดือนหนึ่งลองดูร่างกายเรานี่ยใจลงเจลิใจลงเพราะเราเพราะเราไม่ใส่ปัใจจัยเมันให้มันเราไม่ใส่อาหารให้มันอาหารเลยเป็นปัจจัยเป็นปัจจัยที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันแล้วก็คนเราก็เจริญตามเจริญตามใบเมื่อเกิดในภาวะที่เป็นมนุษย์มันก็เจริญไปตามใบไป เดินขึ้นแล้วก็สวนลงเหมือนสะพานโค้งคืนถึงกลางไวก็เหมือ น, ะ น, อนะสะพานตรงกลางของสะพานแล้วค่อยๆเดินไปโคบลงโคบลงกคมลงโคบลงโคลงโจบตายก็เกิดตายห็เกิดตายทั้งคันเราบางครับงมันใช้เป็นการใช้แบบพุทธเจ้าท่านสิ่งสมกระวานอนัตตาอนัตตานี่แหละอนัตตาอืมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนพุทธเจ้าท่านใช้ท่านใช้อย่างนี้ท่านว่า ถ้าตัวตนเราต้องบังคับบัญชาได้ด้วยเหตุที่เราบังคับบัญชาไม่ได้ให้เป็นไปนตามใจฝังเราไม่ได้จึงไม่ใช่ตัวตนนี่ปรัชญานี้หลยเป็นปรัชญาที่ไปหักล้างาศาสนาพราหมณ์าศาสนาพราหมณ์าว่าอัตตาอัตตาอัตตาอั ต, ตมันอัตตมันเจอสมารเจลอะไรให้มากมากมันก็ไปรวมเป็นปรมาตะมันเป็นหนึ่งเดียวกับพระพรหแล้วก็มีอายุ เท่ยงตลอดตลอดการตลอดอนันตการอันนี้ในศาสนาของของพ ร, ราบแต่ศาสนาของพุทธเจ้าของเราพระพรหมเป็นเทพจำพวกหนึ่งพรห ม, ม, ม, มาพรหมมาริสัจชาพรหมมารวิตาอาภัสรามหาพรห ม, มานพรหมเท่านั้นนะ่ะอยู่เทวดาระลายชั้นหาชั้นาชั้นาชั้นรวมไปถึงพวกพรหมที่เป็นสุทาวาตพรหม เป็นพระพรมที่หมดกิเลสหนึ่งขั้นหนึ่งขั้นสองขั้นสามไปเป็นพระอนาคามเขึ้บวรชั้นพรหมรพรหมมรรสุเพรหเป็นเกิดเกในสุทาวาพรมโล อ, อวิหะตัปปสุทัศสุทัศีอคติฐานพรหมโลาชัน มันเป็นเหลืออีกชั้นเดียวนะที่จะสอบผ่านอ่ะเหลื อ, อีกชั้นเดียวมเหลืออีกชั้นเดียวที่จะได้เปลี่ยนภาระหันไม่เป็นพระธนาคามเนยังเหลืออีกชั้นเดียวสอบผ่านบางคนก็ไปผ่านตั้งแต่กึ่งแรกของอายุบางคนก็สอบผ่านครึ่งอายุบางคนก็สอบผ่านล่วงกึ่งอายุไปแล้วบางคนไปทําความเพียรด้วยเรี่ยวแรงอย่างยิ่งยวดก็ไม่นาน ไม่นานก็เป็นลูกเป็นพรออาลายที่พรมโลกเพราะพรมที่ไม่ได้เป็นพรมอริยะต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมีอายุเท่านั้นกลับท่านนี้กลับมีอายุจํากัดมีสถานที่จํากัดอายุจะมากมากเท่าไหร่ก eh ็ตางมันก็ม um> um> ันก็มีโอกาสหมดลงได้แปดหมื่นสี่พันกลับมันก็สามารถหมดได้หมดเรื่อยหมดเรื่อยหมดเรื่อยหมดเรื่อยหมดเรื่อยมันก็ยุก็หมดได้ พออายุหมดก็เหมือนกเราหมดอายุไขนี่แหละเราก็ตายพระนั้นพอหมดอายุปั๊บเขาก็จุดติไปเกิดที่อื่นซะถ้าบาปกรรมมากๆตามม า, ม า, ม า, มายังคอยอยู่โตจากสวรรค์ชั้ น, นพรหมเราไปอ น, น, น, นรกได้เลยเพราะนรกมันก็เป็นกรรมฝ่ายอกุศลที่มันคอยตามให้ผลกันพออันนั้นให้ผลหมดเอ้าถึงตานี่แหละอันนี้ก็ให้ผลเพราะฉะนั้นนรกกับสวรรค์เราเลยสลับเปลี่ยนกันมาอยู่ด้วย หัวใจของเราของท่านดวงใจของเราของท่านเป็นมนุษ mm. เป็นสัตว์เนไร่ฉานเป็นสัตว์นรกเป็นเทวดาเป็นมนุษย์ mm. เป็นสัตว์นรกเป็นเทวดาสัตว์ในไร่ฉันสลับเปลี่ยนกันอยู่นี้เนอะไรเป็นเหตุให้เราสลับเปลี่ยนไปอย่างนี้พฤติกรรมที่เราทำเนี่ยแหละทําให้เราสลับเปลพพี่ยนภพภูมิทำในกรรมดีทำในกรรมดีมันก็ทําให้เราเพิ่มภูตวีคูนขึ้น ภพชาติที่ดีที่ดีที่ดีขึ้นไปละเอียดขึ้นไปลุกไปเป็นแถวดาชั้นนั้นชั้นนั้นชันนะสูงเอียขึ้นไปกระนี่ขึ้นไปถ้าจิตใจเราต่ำลงต่ำลงเพราะจิตใจก่อนแรารู้ทำหน้าให้กับกิล เ, เลสเรื่อยเรื่อยรู้หน้าให้เก็บกับกิล เ, เลสเ ร, รื่อยเ่อโมโหโตโตเปลี่ยอกาข้าพ่อข้าแม่เลี้วลงอเวกีมานรกทันทีใช่ไหมมันมันพฤติกรรมที่เราทํามันไม่สมองเสมอ เพราะฉะนั้นเราทําคุณทาความดีที่เป็นสิ่งเป็นธรรมมากๆเรับได้ความสุขในปัจจุบันมากและก็ได้ความสุขเป็นรีบารในโอกาสต่อไปแต่ถ้าทาชั่วมากได้ความทุกข์เป็นรี บ, บาร์ใ น, ป, ป, นบบปัจจุบันด้วยได้ความทุกข์ในโอกาสในภพชาติต่ อ, ตอไปไม่มีไม่มีจบสองเส้นสองสายสายบุญกับสายบาไปไปด้วยกันแต่พอเปล็นพระาราษฎแล้วสายบุญสายบาปที่เก็บบุญที่เก็บบาป เป็นภาชนะที่เก็บบาปอบกรรมทุกต่อยที่หมดแล้วตัณหาอุปาทานเป็นภาชนะคอยเก็บบาปอาบกรรมตามเรานล้วเมื่อเราหรือเราถอนหมดแล้วัหมดหมดเส้นหมดสายหมดเยื่นหมดใหญ่หมดปัดจจัยที่ทําให้เราต้องไปเกิดเพราะถอนตัวออกจากเปรีจัยใทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ไม่มีสังขารเข้าไปเกี่ยวของกันสิ้นสูงตราบวิจา เมื่อมีวิชาและก็ไม่มีสังขารคือคือคือพอตันหามันถูกดับหมดแล้วเนี่ยคิดตรงนั้นไม่มีสังขารครับเกี่ยวข้องคิดตรงนั้นเป็นพิสังขารแต่หาธาตุยังทำานยังเกี่ยวข้องกันอยู่ก็มารับใช้มาดูแลมารับผิดชอบอยู่เป็นประเภทอุาอปาทิเสสนิพานแต่ถ้า ตายจากผ่านทั้งห้านี้ไปแล้วท่านเรียกว่าอนุภาทิเสสริพานเช่นอย่างน้องตาราก็เป็นเพราะเารียอนุอนุอนุอนุเสออนุเสสริพานดับกิเลสดับทั้งปบญจขันไม่มีส่วนเหลือดับกิเลสไม่มีเป็นขันเป็นส่วนเหลือเมื่อก่อนนั้นยังไม่ดับเมื่อก่อนนั้นท่านยังยั ง, ย, งยังไม่ยังไม่ตายนกัน ถ้าท่านยังมียังท่านดับกิเลสแต่ยังมีเบญจกขันเหลือถ้าเรียกว่าอุปาทิเสยสนิพันธ์แต่ท่นดับนี้แปลวเป็นอรูปปาทิเสสันิพันธ์ไม่มีส่วนเหลือไม่มีส่วนเสียส่วนเหลือแต่ผู้รู้นั้นก็ไม่หมดไปไหนในโลกเราเลยไม่สูญไปอย่างไหนไม่สูญไปจากโลกเราด้ยเข้ากับปรัชญาศาตรที่ท่านพูดเอาไว้ยาศาสตรทุกอย่างไม่สูญไปจากโลกอันนี้กลายเป็นสิงนี้สิงนี้กลายเป็นสิงนี้สิงนี้กลายเป็นสิงนี้ไม่สูญไปจากโลก รูปธรรมของเราก็ไม่สูญไปจากเราตายไปแล้วว่าไปเผากลายเป็นดินน้ำลมไปมก็เหงืหนแห้หายไปเหลือเป็นขี้ข้าิปถ่านดินไปเป็นดินน้ำไปเป็นน้ำลมไ ป, เ ป, นนไปเป็นลมไปไปเป็นไฟแต่ว่านามขันเวทนาสัญญาสังขารปัญญาเนี่ยขาดสูญไปจากจิตตรงนั้นหลังจากนุกปาทิเสสนิทานไปแล้วไม่มีไม่มีไม่ ม, ม, ม, ม, มีนามขันทั้งสี่ ผู้รู้เลยไม่มีหมดเครือมาเรื่องมืที่จะมาตอบพบตอบชาญเลยเพราะฉะนั้นท่านจิงไม่เกิดไม่มีเพบไม่มีชาติที่จะไป็เกิดแต่ก็เมื่อไม่เกิดก็คือไม่มีทุกข์ที่เราเกิดคือเราแบ็หากอกทุกข์มาความไม่เกิดของท่านมันไม่มาเราคิดดึงเราเองโอ้ไม่เกิดเรากลัวไม่เกิดผู้โดยชมกลัวความไม่เกิดท่า เหมือนไม่มีอะไรอยู่ในที่ทึบๆไม่มีอะไรหายใจได้ยังไงเอแต่พระพิฆเจ้าแต่ความไม่เกิดของท่านคือเหตุให้ก่อทุกข์ก่อโทษอะไรไวใจท่านไม่มีไม่มีเป็นสองกับสิ่งเป็นเโกธรรมเป็งหนึ่งเดียวไม่ต้องมีสังขารต้องเกี่ยวของเป็มวิสังขารก็ดำเ น, นินตนตามตามภาวะ ของผู้รู้อยู่อย่างนั้นยก็อยู่ในโลกเราในไหนไม่ไปไหนแต่ถ้ามีสมมุติมานเกี่ยวข้องเร า, เราก็เราก็เห็นได้ถ้าไม่มีสมมุติมานเกี่ยวข้องกังเราก็ไม่เห็นเหมือนอย่างธาตที่บริสุทธิ์ของพระองค์เข้าสู่นิพพานเข้าขับปฐมปฐมที่ปฐมฌานที่หนึ่งที่สองที่สามสี่เข้ า, ข า, ขารูปฌานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ไปบรรทัพอยู่ที่สัญญาไปที่ที่รอบเนพระอนุรุปท่ามองเห็นตลอด เวลาผ่านไปแล้วประโยู่ในองค์ฌั้นเห็นเห็นหมดเห็นตลอดเพราะองค์ฌานต่างๆเหล่านั้นกับสัญญาเวทีอิทธนนิโรเป็นสมมติเป็นสมมุติเป็นวิหารธรรมเป็นที่อยู่ของจิตสัญญาโรปชานกับรูปฌานมันเป็นวิหารธรรมที่ที่จิตตัวนั้นฝุกฝนอบรมได้อสัญญาเวทีอิทธิโรจิตตัวงนั้นฝึกฝนอบรมได้เป็นวิหารธรรม ถ้าเป็นสมมุติเวลาผู้รู้ที่บริสุทธิ์ดอกนั้นเขาเป็นภาพพิง ก, ก็มองเห็นเพราะท่านเป็นภาพพิงสมมุติอันนี้มีอยู่ในมหาพรินีพานาสูตรเปิดดวเปิดด้านดวงเปิดด้านดวงผู้รู้ที่บริสุทธิ์ไม่สูญไปไหนถ้าภาพพิงสมมุติเราจะเห็นพระอนุรุธแต่ต้องผู้มีที่ปรจักสูตขึ้นอย่า ง, งพระอนุรุธทางหน้าเห็นอนอกนั้นเราหลอกตาบอดตั้งแต่ท่านยังไม่อนุปานิเสธสิผ่าน ผู้ที่ได้คือพระจักสูรเห็นพระอนุรุธธรรมมองเ<ม>ห็นตลอดพอเวลาเวลาท่านหยุดดับท่านเข้าชาติที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่แล้วก็ออกจากรูปเป็นชาตที่สี่อารูปประชาท่านไปเข้ า, ขารูปประชาท่านก็ามาอยู่ท่านออกไปแล้วพระอนุรุธธรรมมองไม่เห็นว่าผู้รู้ของท่านที่บริสุทธิท่านไปอยู่ที่ไหน พระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนไม่รู้จักไม่มองไม่เห็นเลยพูดได้อย่างเดียวว่าพรอนุปาทิเศสนิพานแล้วเท่านั้นเองแล้วก็มีคํานึ่งที่ท่านเปรียบเทียบเหมือนเปลวเทียนไฟเทียนที่เราเห็นสมมติเราไปเป่าพ้นดับอเปลวเทียนไปอยู่ที่ไหนมันถ่รู้มีแต่ความมืดเปลวเทียนที่เราเห็นเราดับเป่าดับปั๊บ พอไฟเทียนดับนั่นนะมันก็ไม่เห็ น, นัอนะไรและความสว่างพระทิพย์ตงนั้นไปอยู่ที่ไหนพระทิพยนต้งนีน้เป็นที่ไหนเราไม่เห็นพรทิพย์ตงนี้ก็กลายไปเป็นทาน่าเนของเขาผู้รู้ดวงนั้นก็เป็นผู้รู้เอ ก, กเทศที่เกี่ยวข้องกับสิ่งไปเกี่ยวพนถ้าไปอยู่กับเอกเทศของท่านไม่มีเวลาก็ไปเกี่ยวข้องไม่มีสถานที่เข้าไปจํากัด ทำรองตนอยู่อย่างนั้นตลอดอนันตการนี่คือคือปรมังสุขขันตคือความสุขอย่างยิ่งดูที่เจ้าท่านทรงตรัสนี่คือนี่แหละคือปรมังสุขขันต์ไม่ใช่สุขเวทนาเป็นความสุขที่ละเหตุปัจจัยก่อขวรให้จิตของนีนะ่ขึ้นขึ้ น, นลงๆ ล, ละเหตุปัจจัยรู้เข้าไปรู้เข้าไปเห็นกข้ละเหตุปัจจัยต่ตางมทลายทั้งปวงมหมด คนไปทุกียว่างหลุดพ้นหลุดพ้นจากขันธ์ต่งางๆเลยหลุดพ้นไปแล้วเหลมไม่มีมาคอบคนใจแล้วไม่ต้องทุกข์อีกแล้วไม่ต้องเกิดไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายแล้วไม่ต้องวนเวียนในวัฏสองสารอีกแล้วพวกเราได้ยินในความเรา อ, อย่างไกให้ทุกคนให้มีความเชื่อความมุ่งหมายจะทำใหมีความปรารถนายาวตั้งใจให้สุด ความสามารถของใครของเราไม่ใช่ได้ยินศัพท์วันหินแล้วก็หวังหวังพรไปเกิดทันพระเียระยะเมตไตรไม่ไม่ต้องหวังหรอกมันไม่ได้มันไม่มีเกรดเกรดไม่ถึงคนที่จะไปเกิดทันพระเสียระยะเมตไตรเป็นคนที่ถูกคัดสรรมาแล้วเป็นคนที่เหลือตกหล่นมาจาับศาสนาพระพระพุทธเจ้าทั้งสี่พระองค์แล้ว ยังตกค้างอยู่รู้สินรู้ธรรมเป็นสมถะทิฏฐิพอสมควรทานให้มาเต็มที่ศีลก็เคยรักษามาเต็มที่สมาธิเคยเจริญมาเต็มที่ปัญญาเคยเจริญมาเต็มที่แต่มันยังไม่เต็มเพี่ยมนิ้สัยวาสนาบารมียังไม่ถึงไม่เต็มัมนาดยังไม่เต็มอยู่นั่นแหละ รู้ยวิธีการทำฝ่ายอย่างนี้มันคูลน่คูลแล้วก็หยุดนอนนึกคิดถึงนายคูลแล้วก็หยุดมันอะไรฝ่าใช้อุปมาเนี่ยทําให้เราหายใจได้รับมาดูตัวเราโอเคแาบคูลหยุดหยุดคูหยุดหยุดเราก็ได้ได้นายหยุดหยุดนี้แหละแล้วก็มันมีอีกวเพศว่า กายยังไม่ออกจากกามจิตยังไม่ออกจากกามกายยังครุกคลีกับกามกับลูกกับผัวกับเมียจิตก็ยังครุกคลีกับกามคิดถึงแต่ลูกแต่เมียนี่ก็ียกเหมือนกับเหมือมนกับไม้สดและชไปจุกอะไอย่างนี้แล้วไปแช่กันในน้ําอีกบุญต้องการเสียเกิดไฟสุดวิสัอสยอะไรนในเปล่าที่มันเหนื่อเปล่าไมาสดสดมาเสียเกิดไฟ ไฟมันเกินได้น <ogram> <hanno prayed. S 1> ้ำกับไฟมันเป็นปฏิปักษ์กันน้ํามากไฟก็แพ้ไฟมากน้ําก็แพ้ไฟกับน้ําเป็นปฏิปักษ์กันอีกประเภทหนึ่งมีกายยังไม่ออกจากการมีใจยังไม่ออกจากกามคลุกคลีกับกาวและอีกประเภทหนึ่งมีกายออกจากกามแล้วเหมือนมีกายไม่ทุกคลีกับผู้กับผัวกับเมียแล้ว ถึงแม้ว่าเราอยู่บ้านก็คือเราไม่คลุกคลีกับลูกกับผัวกับเมียก็เดียวมีมีกายออกจากกามแต่จิตยังไม่ออกจากกามยังคึกยังมในใจอยู่หรือบางทีเราออกจากบ้านมาอยู่บัานใจเราไม่คลุกคลีกับลูกกับผัวกับเมียกายออกจากกามอยู่แต่จิตยังคิดคึงนคุกัเรื่องกามกเหมือนกับไม้สดชุ่มริยาง ถึงแม้ว่าจะอยู่บนบกไม่ได้แช่อยู่ใ น, นน้ำเอามาสีใเกิดไฟก็เน็บหน็บเปล่าถ้ามาเน็บหน็บเปล่าอีกประเภทหนึ่งไม้แห้งอยู่บนบกเอามาสีไอนน้สีบางทีก็สีผิดวิธีซะด้วยไฟที่จะเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาได้แล้วแต่อย่างดีที่สุดก็คือสีถูกวิธีสีถูกวิธีอยู่ รู้อยากกิเลสสมาธิอยู่รู้อยากกิเลสปัญญาอยู่แต่ก็ทาหยุดทําหยุดทําหยุดนี่อุปมาข้อที่สาเหมือนเราคนที่ไม้แห้งบันบกถูกอย่างถูกวิธีไอ้ผิดวิธีเราไม่ต้องพูดถึงเราพูดถึงกันถูกวิธีเราถูแล้วหยุดถูร้อใกล้จะออกแดงแล้วหยุดเพราะเราหยุดมันก็เย็นไปด้วยอุประมาที่ทำให้เราเบียดชันในกา ร, รากประกอบอภิธรามเพียบ การทำความดีต่อในใจของเราทำให้เรมบางฉันเป็นภาพโพธิชั้นแล้วอีกประเภทหนึ่งไม้ไม้แห่อยู่บนบอกทำอย่างถูกวิธีทํายางต่อเน่ อ, อไม่หยุดรอไม่หยุดยิ่งใกล้จละจิตอะไยคือยับใหญ่เร็วขึ้นกว่าเดิมอีกมันกลายเป็นฐานกลายเป็นฐานกลายเป็นฐานที่ไฟเดน่นๆทำภาพเรา เราปาดเลาลงไปด้วยเหตุความร้อนที่มันทำให้มีขี้ฝอยที่เราขูดใส่ข้งขง้างติดเพิขึ้นมาเป็นเปลวไฟได้ไฟใช้เป็นเกอะประมาเราเป็นพระเภทศกายไม่ออกน้ำกามใจ ย, ยังไม่ออกน้ำกาม หรือเราเป็นประเภทกายออกจากกรรมแล้วแต่ใจ ย, ยังไม่ออกจากกรรมหรือเราเป็นประเภทไม้แห้งอยู่บนโบสถ์ใส่สีถูกวิธีแต่สีหยุดสีหยุดหรือเราเป็นประเภทอ่าไม้แห้งอยู่บนโบสถ์สีถูกวิธีสีต่อเนื่องจนเป็นไฟฉายแต่ประเภทสีนี้รู้แก่ใจรู้โดยชวงตัวเราเองไม่สงสัยไม่ต้องสงสัย<ม>ประเภทสีประเภทสองประเภทสามไม่รู้นะ เราเป็นพระเพียนไหนนี่คือความเพียรที่จะขัดซีธาไมะเกิดในใจของเราเอาละพอสมควรเวลาทำบัตรสวดมน